ธรรมเป็นโลกบาลหมายถึงคุณธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาสัตว์โลกไว้ไม่ให้ทำความชั่วด้วยกายวาจาใจทั้งในที่ลับและที่แจ้งทำให้หมู่มนุษย์ในโลกนี้อยู่รวมกันเป็นสังคมได้อย่างมีความสุขมีสองอย่างคือหนึ่งฮิริ หมายถึงความละอายใจตัวเองต่อการทำบาปทำความชั่วต่อความประพฤติทุจริตผิดศีลและธรรมต่างๆสองโอดตัปหมายถึงความเกรงกลัวต่อผลของความชั่วต่อผลของทุจริตที่ทำไว้จะตามให้ผลเหมือนบุคคลเห็นอสรพิษกลัวพิษของมันไม่กล้าเข้าใกล้คนมีฮิริโอตัปะจะไม่กล้าทำความชั่วทั้งต่อหน้าและลับหลัง ถ้าโลกขาดโลกบาลทมนี้จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายหาความสงบสุขไม่ได้